เราก็กำลังจะเดินทางสู่ช่วงทุ ด, ดงเ น, ะนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงการเตรียมตัวนะเตรียมความพร้อมดูอุปกรณ์ดูของใช้ที่จำเป็นแล้วก็ของใช้ที่ไม่จำเป็นนะต้องดูนะอันไหนจำเป็น ก็เตรียมให้พร้อมอันไหนไม่จําเป็นก็เตรียมสระนะเอากลับไปวัดนอืมพ็เดี๋ยวรถก็ไปส่งหลังก็ก็จะได้กลับวัดเนะก็ดูแต่บางทีอะไรจะจําเป็นไม่จําเป็นนะบางทีก็มัเป็นเพียงแค่การคาดการหรือว่าจากประสบการณ์นะถ้าคนมีประสบการณ์ก็อาจจะพอพอเข้าใจหรือว่าพอจะคิดออกว่าอะไรมันจําเป็นนะ ถ้าใครไม่มีประสบการณ์ก็ต้องถามคนที่เคยเดินทางมา ก, ก่อนแล้วกันเนาะว่าเอออันนี้มันสมควรหรือไม่สมควรเอาไปนาะแต่ถ้าบางคนก็แต่บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันบางทีก็ต้องเดินทางอ่ะค่อยรู้อีกทีว่าพอเดินทางไปแล้วข้าของมันหนักเอาไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าใช้คนอื่นแทนก็ได้เลยรแบบนีเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเอออันนี้ คือความไม่จําเป็นในการเดินทางของเราเนาะเพราะอย่างการเดินทางอย่างทุ้ ด, ดงเนาะเราต้องเดินทางไกลนะวันละร่วมยี่สามิกิโลเมตรตนี้ทรัพภาระเนาะที่เราคิดว่าเป็นของใช้ที่มันเราจำเป็นต้องใช้นะหรือของที่เราอยากจะเอาไปด้วยแต่เราจะได้พอการเดินทางไกลยี่สาสิบกิโล เน่ยเป็นอย่างน้อยเนะี่ยหมอก็ทําให้เรารู้ว่าเอ้ยมันหนักเกินไปไหมเนะี่ยมันเกินความจำเป็นหรือเปล่าอันนี้คือเราก็ค่อยๆสละก็ได้นะถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าอันนี้มันสมควรหรือเปล่านีาก็ค่อยๆสละออกไฟนะรูปแบบการเดินทางนะ่ยการเดินเท้าเนาะจุดหมายจริงๆไม่ใช่อยู่ที่ อาจจะต้องเดินให้ไปถึงที่ไหนนะอย่างพวกเราเดินก็ไม่ได้มีกําหนดเป้าหมายว่าในปีนี้นาะจะต้องเดินไปถึงที่ไหนไปจบที่ไหนก็ไม่ได้คิดอาจจะมีแค่วันเวลาที่เรากําหนดช่วงที่ว่างไว้เฉยนัในนั้นไม่ไม่ใช่ว่าจะเดินไปถึงจุดไหนนะแต่เราก็เพียงแค่เดินไปเรื่อยๆนะตามรายทางที่เราคิดว่ามัน เป็นที่ที่ให้เราได้สัมผัสกับรสชาติในการเดินนะแล้วก็ถ้าเลือกได้ก็จะเลือกเส้นทางที่ที่เป็น เ, เส้นทางชนบทเส้นทางที่รถรางไม่เยอะแบบนี้เนาะเราจะได้เดินด้วยความปลอดภัยแล้วก็เดินด้วยความไม่วุ่นวายนะในบรรยากาศ ร, รอบนอกแล้วก็แต่การเดินทุดงดงนะไม่ใช่เดินเหมือน เดินทางไกลเพี่ยงเสื้อให้เราฝึกความอดทนอดอดกัน้นหรือว่าเพื่อให้เราได้พบประสบการณ์ใหม่ๆเท่านั้นนะที่จริงมันจะทําให้เราได้พบเห็นเห็นตัวเราเองแหละอย่างที่เราว่าบางอย่างที่เราคิดว่าจําเป็นน่หรือบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่จําเป็นเราก็จะได้รู้ว่าอะไรมันสมควรไม่สมควรเนาะ รวมทั้งการเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ของตัวเองนะในขณะที่เดินอารมณ์ของเราเองคืออะไรเช่นบางทีเดินแล้วมันเหนื่อยเกิดนะ อ, อารมณ์อะไรขึ้นมาภายในใจนะเราก็เห็นหรือเดินมีรถลาวิ่งหรือมีเสียงดังบุ้นวายภายนอกบุ้นวายภายในเราเกิดความบุ้นวายใจหรือเปล่า เราก็เห็นหรือบางทีไปพักในที่เปี่ยวเปียวนะเช่นป่าช้านะเกิดความกลัวในใจเราก็จะได้เห็นนะหรือบินทบาทได้อาหารไม่ค่อยพอฉันนะ <c oughs> หรือได้อาหารไม่ถูกป่านะเราจะรู้สึกอย่างไรนะ รู้สึกพอใจไม่พอใจรู้สึกอยากเอัเ น, นี้เราก็จะได้เห็นอารมณ์พวกนั้นคือมันก็มีหลายอย่างนะที่เราได้เห็นนอกจากเห็นบรรยากาศที่แปลกแตกต่างไปเนยจากวัดหรือว่าจากบ้านของเราแต่เราก็จะได้เห็นสภาวะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยเนี่ยบ่อยๆด้วยนะ จากสิ่งรอบข้างที่เราผ่านก็ดีหรือว่าจากผู้คนที่เราอยู่ร่วมกันก็ดีนะมันก็เป็นการเรียนรู้ให้เราได้เห็นทั้งนั้นเนาะอันนี้คือการการเดินทางนะเดินด้วยเท้านะเป็นการทุดงนะแต่ที่จริงความหมายของทุดงในจริงไม่ใช่เป็นการเดินนะนะความหมายของทุดงใจริงคือการขัดเก่า์นะ ขัดเกล็กิเลสออกไปจากจิตใจเนาะนะทุดงทูดงขวัดของพระเนี่ยมีสิบสามข้อนะมันเป็นเรื่องของการขัดเกล็กิเลสกิเลสที่มันเนื่องด้วยการเนื่องด้วยเรียกว่าปัจจัยภายนอกนะเช่นกิเลสเกี่ยวกับเสื้อผ้านะภาษาพระก็เรียกว่าจีวรเลยเนาะถ้าโยมก็กิเลสเกี่ยวกับเสื้อผ้านะ เสื้อผ้าของคนสุวนใหญ่โอ้ก็จะมีหลายชุดเนาะนะนะหลายแบบนะถ้าเป็นคาราวาสก็มีหลายตู้นะหลายร้อยตัวนะอย่างพระเองก็ท่านก็กำหนดให้มีแค่สามชุดนะไตจีวร น, นะมีสามือนอันนี้ก็เป็นทุดิยงข้อหนึ่งนะถ้าไทยถือถือผ้าเพียงแค่สามืนะนะน่ ไม่ไม่ได้มีจีวรสองผืนไม่ได้มีสังคติสองผืนอะไรนะก็ถือว่าก็ามีอย่างละผืนจีวรหนึ่งสังคติหนึ่งตะวงหนึ่งผ้าอย่างอื่นก็เป็นเป็นผ้าได้ว่าบริวารก็ใช้ได้แต่หลักสามผืนเนี่ยเราถือแค่อย่างเดียวก็พอยิ่งเราเดินทางไกลเนี่ยเรายิ่งจะดูเลยว่าเออเอาไปมากกว่านี้มันก็หนักเกินความจําเป็นเลย เนื้อถือผ้าสามถืนก็เป็นก็เป็นทุดงอย่างหนึง่งบางรูป ก, ก็ใช้ผ้าบางสกุลผ้าที่ชักออกจากจากศพนะามาตัดเย็บเป็นจีวรก็ถือว่าเป็นเป็นเรียกว่าเป็นทุดงควัดอย่างหนึง่งแต่ถ้าเราบางินเป็นภาระวะก็อาจจะดูว่าเอออาจจะถือผ้า เพียงแค่ไม่กี่ชุดนะในการเดินทุ ด, ดงครั้งนี้แนี้ก็ใช้ได้นะหรือบางคนก็อาจจะถือใช้ผ้าสีสันเรียบร้อยไม่จูดฉาดนะก็ได้ถือเป็นเครื่องหมายของการเดินทุ ด, ดงนี้นก็ได้เหมือนพวกฤๅษีชีพัยพวกนาคเขาก็เวลาเขาเดินทางนะเขาก็มีเสื่อผ้าไม่กี่ผืน ก, ก็อยู่ได้นะ แต่ช่วงนี้หน้าหนาวก็อาจจะต้องดูให้มันพอสักหน่อยก็ดีแต่ก็พอขนาดไหนที่มันไม่หนักเกินไป <c oughs> นนก็ต้องดูนะไอนน้เรื่องเรื่องเสื้อผ้าล้วก็ดู <c oughs> พอบางทีเนี่ยเราเห็นบางคนแบบยอมแบกบดีกว่าดีกว่ากลัวมันจะหนาวกลัวมันจะไม่พอมันก็มีได้อย่างเสียอย่าง เราได้ข้าวของเครื่องใช้เยอะแต่เราก็ต้องหนักในการเดินทางไกลหรือกิเลสอีกอย่างหนึ่งที่คนมักจะยึดติดหรือว่าหลงก็คือเรื่องอาหารนะเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลงนะอย่างพระก็ได้ว่าเป็นเป็นทุดดงเกี่ยวกับข้อบินทบาทนะบินทบาทนี่ไม่ใช่เพียงแค่การกินนะ รวมถึงการได้มาซึ่งอาหารที่จะที่จะฉันนะที่จะกินด้วยน ะ, นะอย่างพระบางธุ ด, ดงค์วัดหลายๆข้อเช่นการบินธบาตเป็นวัดนะก็คือบินธบาตเป็นประจำทุกวันน่ไม่ช่วงนี้ที่จะถือธุ ด, ดงก็ไม่รับกิดนิมนไปฉันในบ้านเนี่ยก็คือก็คือข้อวัดอย่างหนึ่ง หรือบินธบาต์นะตามลำดับตามลำดับคืออะไรเช่นไม่ใช่เพียงแค่ว่าการเดินไปตามลำดับทัรษาเท่านั้นนะแต่สมัยก่อนเนี่ยบางทีพระเวลาไปบินทบาตจะเลือกนะจะเลือกบินบ้านนี้ไม่บินบ้านนั้นนะบินข้ามบ้านนะไม่ยอมรับบาทบ้านที่เขาจะรอใส่เพราะว่า อาหารบ้านนี้ไม่อร่อยอาหารบ้านนี้ไม่ดีแต่ะรอไปรับอาหารอีกบ้านหนึ่งนะเพราะว่าพระสมัยก่อนท่านท่านรับบินธบัต่พอเสมอปอกขอบปากบาท น, นะก็ถือว่าไม่เกินไม่เกินบาทหนึ่งนะนั้นบางทีถ้ามีคนใส่เยอะนะบางทีพระบางรูปเฮ้ย hey, บ้านนี้อาหารดีบ้นนี้อาหารไม่ดีเขาจะรู้ก็เลยเลือกบินเป็นบางบ้านอันนี้เรียกว่าไม่ได้บินธบาตแบบ ตามลำดับนะแต่ทุตดงเขวัดอย่างหนึ่งก็คือนี่ยเราบินสบาทตามลําดับก็คือว่าบินไปไม่ได้เว้เลือกว่าบ้านนี้เอาบ้านนี้ไม่เอานะแบบนี้ไม่เพราะสมัยปัจจุบันเราก็จะเห็นพระในเมืองว่าบางทีก็แยกบินทบาทกั น, นหรือว่าก็มั่วกันไม่ไม่เบียงตามลาดับคำสัานะอันนี้ก็เป็นการขัดเกลาหรือใช้เรียก ง, ง่ายๆก็คือเนี่ย ค้ายเราไม่เลือกอาหารมีอะไรญาติโยมจะใส่อะไรแล้วก็ต้องรับรับไว้เอามาพิจรารณาเอามาฉันทั้งหมดหรือก็ฉันภาชนะเดียวนะฉันในบาทถ้าเป็นพลาก็ฉันในบาส ท, ที่จริงก็มันก็ลดเรื่องการติดจิตในรสชาติของอาหารนั่นแหละอาหารบางทีอยากจะจิ้มน้ำพริกนี่อร่อยดี อยากจะกินของหวานนี้รับรู้รสชาติของของหวานแบบนี้อร่อยดีนะพอเอามาปนลงด้วยกันในในภาชนะเดียวเช่นในบาเนนีะ่มันก็เรียกว่าเป็นการช่วยให้เราไม่ไม่หลงไม่ติดยึดในรสชาตินะเนะี่รสชาติของอาหารเนะี่ยเป็นความพอใจเป็นความชอบเนะี่เป็นความอยากขึ้นมาแต่ถ้าเรากินไปเออ ข้อศักดิ์แต่ว่ากินไม่ต้องไปสนใจรสชาติมากนะอืมมันก็ทําให้เราเออมันก็ไปรวมกันที่กับข้อเหมือนเดิมนะั่นแหละอันนี้ก็มันก็มีที่มาที่ไปนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทําไปเพียงแค่ข้อวัดให้เรารู้สึกว่าเราเคร่งกว่ากว่าพระทั่วไปหรือว่าคนอื่นๆเนะี่ยไม่ใช่นะทุดิยวัดไม่ใช่ถือเพื่อแข่งคัดเพื่ออวดคนอื่นแต่เราถือเพื่อแข่งคัดเพื่อ เพื่อขัดกล็กิเลสในใจของเราเองนะอกิเลสที่มันติดยึดในเรื่องอะไรนะเช่นหรือบางคนอาจจะลองช่วงนี้คือตุ้ดองเขาวัดนะชันมือเดียวแบบนี้ก็ไดนะ้เพราะปกติบางทีอยู่ที่วัดก็ชันสองมือนะตอนตุ้ดงอ่ะชันมือเดียวนะไม่ต้องพกพาละอาหารตางวันไปก็แล้วแต่นะอันนี้คือ ทุดงเวัตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนาะก็จะมีทุดงคขวัตเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะที่อยู่อาศัยอนะบางคนก็อธิษฐานจะอยู่ที่ป่าบางคนอธิษฐานที่จะอยู่ตามเดือนที่เ้าจัดใหนะ้บางคนก็อธิษฐานอยู่ในที่แจ้งอนะไรอย่างนะีแต่ของเราเองก็อาจจะพยายามคิดเลือก ไปอยู่ตามป่าช้าอ่งนี้นะหรือว่าวัดที่ไม่พุกพร่านไม่บุนวายนักเลยเนี่ยก็เพื่อเราจะได้มีสถานที่ที่สงบหรือถ้าเราไปอยู่ในที่ทวัดไหนไหนก็แล้วแต่ว่าพระที่นั่นท่านจะจัดการให้เราอยู่ที่ไหนแล้วก็แล้วก็เอาตามนั้นมันก็เป็นข้อปฏิบัติคืออะไร เป็นคนไม่เรื่องมากบางทีเราจะเห็นนะบางทีพอเราไปอยู่วัดนะบางที้ก hey, ุฏินี้ดีกว่ากุฏินั่นนะเราอยากจะอยู่กุฏินี้น ะ, เ, ะเราไม่อยากอยู่กุฏินี้มันไม่สะดวกหรือว่ามันโทรงอะไรนะแต่พอมาทุกดวงเนะี่ยเราไปนะเขาจัดให้เราอยู่ที่ไหน เ, เราก็อยู่ที่นั่นแหละ อันนี้ก็เป็นข้อวัดอย่างหนึ่งนะใครจะถือก็ได้นะแล้วแต่ว่าเขาจะจัดให้ที่ไหนอย่างหลวงพ่อคงเขียงก็เคยเล่านะยไปท่านเคยเติอนทวดดงเนะี่ยนะพระพระท่านก็มีกุฏิว่างอยู่แต่ท่านก็ไม่ได้จัดให้หลวงพ่อนะ ท, นท่านบอกหลวงพ่อให้ไปนอนที่ที่ศาลานะที่ศาลา ท่านก็ไปนอนนะที่ไปกลางกดอะไรที่ศาลาแต่ปรากฏว่าที่ศาลานั้นก็มีเจ้าของเขาจับจองแล้มีเจ้าถิ่นนะคือคือสุนัขคือสุนัข ก, ก็เป็นที่นอนของสุนัขเป็นประจําแล้วหลวงพ่อก็ไปนอนนะตอนค่ำๆสุนัขมันก็กลับมานอนที่ของมันอนะ่ะก็มานอนด้วยกันนะมันก็เห่ามันก็หอนมันก็ร้องเป็นธรรมชาติของมันนะ่ะ หลวพ่อก็เลยสมมุติตัวเองว่าเออวันนี้ลองเป็นหมาลองเป็นหมาสักคืนดูคนะใายๆอยู่รวมกันประมาณ น, นะไม่คิดวุ่นวายไม่คิดเอนะท่านจัดให้พักที่นั่นก็พักที่นั่นนะ่มันก็เป็นการสมมุติตัวเองนะให้ยอมรับอยู่ในสถานการณ์ที่ที่เขาจัดสรรให้นะนะอันนี้คือมันก็เป็น ข้อวัดเกี่ยวกับทุดดงเนาะก็มีหลายอย่างก็เป็นการลดการยึดติดในเรื่องของที่อยู่อาศัยนี่แหละนะแต่เรามีเต็นต์มีกรดก็สะดวกก็แหละว่าพักที่ไหนก็ได้นะแต่ก็ดูบางคนก็ก็ถ้าเราเข้าวัดก็แล้วแต่เขาจะจัดให้นะถ้าเราเข้าป่าก็เลือกเอาที่ที่สงบสงัดของเราเองนะไม่ไม่คุกคีกันมาก แล้อีกส่วนหนึ่งก็ข้อนีเ้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนนะเนสชิกนะการนอนคือการถือไม่ไม่นอนนะนี่เรียกว่าเนสชิกก็คือไม่เอาหลังแตะพื้นนะไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะถ้าจะพักก็นั่งพักนะยืนพักก็คงยากนะ <c oughs> นั่งพักอ่ะอ ก็มีนะมีคนบางรูปท่านก็ถือเป็นปีเป็นหลายปีก็มีนะหรือบางคนอาจจะถือเป็นบางวัน <c oughs> ก, ก็ได้อ น, นี้ทุ ด, ดงขวัตรนะสิบสามสิบสามข้อนะสมัยพุทธกาลท่า น, นก็มีให้เรา <c oughs> ให้เราได้ถือเราจะถือกี่ข้อก็ได้นะเราก็ลองพิจารณาดูนะ เลือกอาหารเอาไงดีนอสนะจะชันมื้อเดียวไหมเนะี่หรือฉันสองมือก็แล้วแต่ท่านเนาะแต่เราก็บิณฑบาตเนาะนะโยไม่มีบาตก็เดินตามพระรับบาตแล้วกันเนะี่ยบิณฑบาตเป็นวัดเนะีบิณฑบาตตามลําดับเนะี่ยก็ต้องก็ต้องเอาตามนั้นส่วนที่อยู่อาศัยก็เดี๋ยวดูสถานที่ที่สงบ ที่สังกัดดูส่วนเรื่องทีวอนเรื่องปัดเรื่องเสื้อผ้าก็ให้เราดูตัวเองแล้วกันเนาะอะไรจําเป็นไม่จําเป็นก็ดูนะก็พิจารณาเอาเรื่องการนอนก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ใครจะถือนะจะถือเนสตชิกไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่ถือก็ไม่เป็นไรนะเหลือจะเป็นส่วนอื่นก็ได้นะสมัยนี้มันก็มี สายส่วนที่ถ้าเราอยากจะลองถือก็ได้นะมาว่าอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์ <c oughs> การใช้อินเทอร์เน็เ ต, ต <c oughs> แล้วนะถ้าใครจะลองเรียกว่าลองวดมันในช่วงนี้นะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นการวดนะหรือว่าเป็นการเลิกบางอย่างดูก็ได้นะ หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นที่เรารู้สึกว่าเราติดเนาะเราติดเราติดแล้วเราอยากจะลดอยากจะขัดเกลาตัวเองก็ให้เราดูนิสัยของเราอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันก็เป็นข้อวัดเพื่อปฏิบัตินะการเดินการทุดดงไม่การเดินทางมันก็เป็นเพียงแค่ทําให้เราได้เห็นประสบการณ์หรือว่าหรือว่าได้เห็นอะไรที่เกิดขึ้นภายในใจของเรานะการเดินทาง แต่ถ้าการเดินทางนั้นเรามีก็เรียกว่ามีความตั้งใจนะมีความตั้งใจที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จให้ไดนะ้ประมาณเดือนหนึ่งที่เราจะเดินทางด้วยกันนะนะเราลองตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างที่ที่เราคิดว่ามันเป็นการขัดเกลาเล็ดในใจของเราเนะี่ยมันก็แล้วก็ลองทำให้มันได้นะมาว่ามันเป็นการเหมือน รักษาคำมั่นสัญญากับตัวเราเองให้ไดนะ้มันก็จะเป็นการเรียกว่าขัดเก่าตัวเองแล้วท่านเราจะถือต่อไปตลอดทั้งชีวิตก็ได้หรือว่าถือเอาไปประยุกใช้กับเรื่องอื่นของชีวิตเราแบบนี้ก็ได้นะนี่ <c oughs> มันจะเป็นข้อที่ทาให้เราได้เรียกว่าได้เห็นตัวเองเยอะขึ้น แล้วก็ชีวิตเรามันก็จะมันก็จะใกล้เคียงกับความเป็นสมณะนะสมณะแปลว่าอะไรผู้สงบผู้มักน้อ ย, ยผู้พอใจในสิ่งที่ที่ที่พึงมีนะนี่ก็คือเป็นคนที่มักน้อยสันโดดอยนั่นนะสมณะนะ่เราจะเป็นพระก็ดีหรือที่จริงไม่แต่เป็นนักปฏิบัติธรรมที่ ที่ใ่ทําก็ดีนะนิสัยเนี่ยมันมันช่วยเราได้เยอะเลยนกะลายเป็นคนมักน้อยสนโดดประหยัดมัธยัสถ์นะไม่พุ่มเฟือยนะมันจะทําให้เราแบบเหมือนเห็นความเห็นความอยากเห็นความพอใจเห็นความไม่พอใจในตัวเราเองได้เยอะเลยนะมันจะเป็นแบบเอออะไรก็ได้อะไรก็ได้นะ มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะบางทีมันจำเป็นก็ค่อยหาค่อยค่อยอ ย, อ ย, ยืมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะเราลองดูถ้าทิปทุดดงของเราทิปนี้มีอย่างหนึ่งที่เราก็น่าจะใช้ก็คือการไม่ใช้ปัจจัยนะคือถ้ารถออกไปแล้วนะ รถออกไปล้วช่วงนี้เราต้องเตรียมฟอรมในฟอร์อมเลยนะถ้าลถออกไปเราก็ลองถเราจะถือว่าเราจะไม่ใช้ปัจจนะัยบางคนอาจจะมีปัจจัยอยู่กับตัวแต่ขอให้เก็บไว้ดีๆนะตอนเดินทางกลับค่อยๆใช <c oughs> ้บางทีเราเดินไปเห็นอันนี้อยากจะซื้อ <c oughs> เห็นนี้อยากจะกินนะบางทีถ้าเราไม่มีสัจจดจาวตรง น, นี้ในใจนะ เราก็จะแบบตามตามความเคยกินนะอยากได้ก็ก็ซื้ออยากกินก็ซื้ออะไรแบบนะี้แต่ถ้าทุดงจริงๆเนะี่ยอาศัยวินทบาทเป็นวัดนะอาศัยสิ่งที่ของทคนทาวายนะเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเรานะดังนั้นมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะไอ้ที่เรามีเป็นเงินเป็นทองก็เก็บไว้ ลองดูว่ามีแค่เนี้ยเราอยู่ได้ไหมเนี่ยใช้ใช้การประยุกเข้ามาช่วยอ่ะประยุกมีกินแค่นี้ก็แบ่งกันให้มันพอแต่ก่อนเคยฉันน้ำปลานะเป็นประจำทุกวันบง <c oughs> วันมีอ่าก็ฉันบางวันไม่มีก็ไม่ต้องฉันอะไรนะก็ลองแบบนี้ดูหรือข้าของเครื่องใช้บางอย่างมันหมดเน่ย บางทีก็ต้องใช้สติปัญญานะเช่นอืมสบูยาซิฟันหมดอ่ะเข้าไป เ, เราไม่ซื้อก็ได้นะแต่จริงเราก็ล้วก็มีวัดนะ ก, ก็ถือว่าสังฆทานที่ญาโยมถวายเขาถวายแก่สงฆ์นะถ้าเราขาดเปลือก็ไปขอตามวัดต่างๆแทนอะไรเนี่ยนะนะมันก็เป็นความก็แล้วแต่ท่านจะจัดให้เลยนะนะบางทีเราเคยใช้สบู่แบบนี้ ข้อสบู่แบบนี้มาใหเา้เราก็ต้องยะรับตามที่ที่ท่านให้อยู่นี่เนาะ mm. ก็เป็นการขัดเก่าตัวเองนะ่ใช้สติใช้ปัญญานะ่ในการที่จะไม่เลือกมากเลยหรือบางอย่างเนะี่ย mm. มันใช้ด้วยกันก็ได้เนาะสะบูนะ่เนี่ยใช้ได้ทั้งถูตัวใช้ได้ทั้งสะผมใช้ได้ทั้งซักผ้าเนะี่ยมีก้อนเดียวก็พอลนะ แต่แต่ก่อนเนี่ยเราอยู่ที่วัดนะถูตัวก็อันนึงสระผมก็อันนึงซักผ้าก็อันหนึ่งเลยนเหนน้นนะนี่คือเราลองไม่ต้องใช้เนาะไม่เชื่อแต่ไม่ไม่คอขาดบาดตายนะลองดูนะพอเราอาศัยบิณฑบาตนยะหรืออาศัยศรัทธาจากญาติโยมนั่นแหละ เราต้องเชื่อมั่นศรัทธาในในการกระทำของเรานะที่เราตั้งใจมามาดดนะทุดงเนี่ยคือเราตั้งใจมาขัดเก่าตัวเองลนะศรัทธาที่เรามีในการเดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามรอยครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกฝนปฏิบัติตนแบบเข่งคลัตนะหรือว่าค่อนข้างค่อนข้างหนักนวเลเว้นะ มันเป็นข้อวัดที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านพาทำเนาะครูบาอาจารย์ทำได้นะเราก็ต้องทำได้นะถ้าเราอยากจะพ้นจากความทุกข์หรือว่าถ้าเราอยากจะนะมีนิสัยใจคอที่มันดีขึ้นเราก็ต้องขัดเกลาตัวเองให้มันหนักขึ้นแล้วก็ยอมรับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะบางทีอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละวันเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้ บินธบาตวบันนี้ได้แค่นี้ก็ต้องยอมรับมั น, นตอนนี้เย็นแล้วพักแบบนี้ก็ต้องยอมรับมันนะบางทีก็อาจจะคนนี้ถูกใจคนนี้ไม่ถูกใจบางทีก็ต้องยอมรับนะในความเป็นหมู่คณนน ะ, ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะในการในการทุดงร่วมกันนะก็ค่อยค่อยศึกษาไปนะวันนี้ก็เหมือนคล้ายคล้ายให้พวกเราได้เตรียม เตรียมความพร้อมนะในเรื่องข้าของเครื่องใชนะ้แล้วก็เตรียมใจนะว่าอีกร่วมเดือนหนึ่งนะที่เราจะต้องเจอเนะีนะ่ยมันก็อาจจะเป็นการเดินทางทางภายนอกแล้วก็เป็นการเดินทางทั้งภายในใจของเรานะเดินทางภายนอกนี่ว่าต้องเดินทางไป ก, ก็ต้องเหนื่อยก็ต้องล้า เดินทางภายในเนี่ยก็ต้องขัดเก่ากิเลสภายในใจของเราไปด้วยนะนะก้าวข้ามความอยากก้าวข้ามความขี้เกียจก้าวข้ามความกลัวนะก้าวข้ามความขัดแย้งบางอย่างภายในใจนี่แหละนะเราจะทำยังไงถึงจะก้าวข้ามพวกนั้นได้นะ เหมือนกับทางภายนอกเราเดินข้ามเขาลูกแล้วลูกเล่านะผ่านไปเรื่อยแต่ภายในใจของเราเองก็ต้องเดินก้าวข้ามนะอุปสรรคภายในใจของเราเนี่ยแหละไปเรื่อยอะไรทีเป็นความยึดติดเป็นความถือมั่นนะเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นะเราก็จะได้ลองฝึกทําดูนะว่ามันจะทําได้ไหมนะ หรือทำได้ดีขึ้นหรือเปล่าแบบนี้เนาะแล้วก็ก็ฝากว่าเราไว้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกเช้าแล้วกัน